Book 2 9เก5าสิห้าจิวาโนสสันธานสองซล н ชนิคิดว а เธอไม่ทางานตั้งแต่เมื่อไร่งกุกกาชัสุวิบลิชเ не п р а ц ุ є ยต ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ замужа ใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน так Яна больше не п р а ц у я ста г о часу як вышла й замуж. ตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย ста г о часу як яна вышла замуж. ยานาบูชเนปรตุย์ตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุขยานิชชาสิวยาสตาหูชาสุยักปะซนายมิลตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย з т а г ู часу як у іх з'явіліся д з ิ ц і яны рэдка в ы х о д ิฮูดิจู เ, ไไเล เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Калияна п а т е л е ф н у ขณะขับรถหรือ п а т р у ส п а е з д к и ใช่ขณะที่เธอขับรถ Так Калияна будет е х а ь на м а ш н е เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับร ถ, ถ ยา а ่า т ู л е ท о н ัพ тады, калі будзе ехаць на машыне เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้ายาน่าดูทีวีขณะที่เธอทำงานยาน่าเี่เธอทำงฟังเพลงขณะที่เธอทำงานยา а ่าฟังเพลงขณะที่เธอทำงานยาฟังเพลงขณะที่เธอทาังานยน่าองาน่เที่นัเลนอง่เนเลย ถ้าดิฉันไม่มีแว่นดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไปดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัด เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกเราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่ถ้าอีกเดียวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าว